จันทศาลาเจติยอนุสรณ์หนังสือที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเจดีย์หลวงจังหวัดสกลนครวันจันทร์ที่ 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จ 18 พฤษภาคม 2539 ประวัติหลวงปู่ชื่อเดิมจันทสโรชื่อเดิม ว. วรบุตรชาติตระกูลเกิดวันอังคารขึ้น 4 ค่ำเดือน 3 ปี่ตรีศกจุลศักราช 2263 ตรง 11 กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2444 ที่ อภิเมงบิดาชื่อบิดาชื่อคําพลวรบุตรบุตรเจ้าเมืองแก่นท้าวฝั่งซ้ายแม่น้ําคง ของแม่นางกวยน้องชายชื่อศุกวรบุตรการศึกษา สนใจในทางธรรมใต้ในทางธรรมนิจัดเรียนหนังสือในโรงเรียนวัด จิตครวญตัวเข้าสู่ความสงบเกิดนิมิตเห็นแสงสว่าง คงเป็นนิสัยวาสนาที่ 2460 ได้เข้าทำงานเป็นจนอายุ 18 ปีได้บรรจุ ที่อำเภอเชียงคานได้เข้านับถือศาสนาคริสต์อยู่ 5 ที่ถูกคลายชีวิตเพื่อนํามาทําเป็น ปัจจุบันเป็นอำเภอทวาดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อ 2466 โดยมีเอกสาร 2467 หลังจากผ่านการคัด ที่วัดติจะอาดอำเภอ 2468 มีความสงสัยว่าพฤติกรรมในการ ที่วัดโพธิสมพรตำบลหมากแค้ง 14 พฤษภาคม 2468 เวลา 13:08 น. น. น, น, น, นพร้อมกับหลวงปู่ผาวอนาลโยโดยหลวงปู่หลุยส์ เมื่อครั้งเป็นพระโคจันทวุฒิกรเป็นพระอุปัชฌาย์และและ ผู้มีคุณหลวงปู่ทรงนึกถึงผู้มีพระคุณอยู่เสมอแต่หา จึงกราบลาท่านพระอาจารย์เสากันตปิโลจากบริเวณจังหวัด 13 ท่านว่า รูปบันทึกไว้ว่าพุทธศักราช 2480 ได้ถามแม่กวยกําเนิดใน 10 เดือนเจ็บท้อง 1 21 วันอยู่ในท้องนั้นใหญ่จนแม่ คุณเราไม่กล้าสึกแม่เช่นนี้เราไม่กล้าถึงโปรดฉลองกรดแม้จะอายุพัน ซึ่งท่านจะลงมือแล้วมอบให้ร่วมโกรธเองตั้งแต่ เอ่อรับถึงพระคุณของพระกรรมฐานจากอําเภอพลทองรูปหนึ่งที่ท่าน ที่ท่านตั้งใจบูชาพระคุณโยมมารดาและพระคุณของแม่ ได้เดินทางออกจากภาคอีสาน สำหรับชาวจังหวัดพระนครซึ่งในระยะหลังท่านเรียกว่า 8 ในวันอาทิตย์โดยให้เหตุผลว่า เหล่าคนกรุงเทพฯท่านมัจฉิติคือเอวทั้ง 2 มือทั้ง 2 ถึงคุณของพระพุทธในการกราบครั้งที่ 1 รำลึก ท่านพระอาจารย์บุญปัญญาพุทโธท่านพระอาจารย์สิงห์ขันทะยากโมท่านพระอาจารย์เสาจันทปติโลท่านพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตจะได้ว่าท่านปฏิบัติรับใช้ท่านพระอาจารย์ 6 ถึง 7 ปีรับจนกระทั่งท่านพระ ยังอยู่ช่วยสร้างจนเห็นว่าบรรจุอัฐิธาตุของท่านพระอาจารย์บุญไว้ พุทธกาล 2479 ได้ได้บันทึกถึงท่านพระอาจารย์เสาด้วยความประทับใจ อาจารย์มากล่าวถึงด้วยความเคารพที่ว่าเป็นธรรมะ จะอ้างคำพระอาจารย์มั่นตลอดเวลาแต่ท่านก็จะตนเป็น แต่หลวงปู่ก็ยังระลึกถึงคุณของตำหนักตำราแทคูบาอาจารย์และท่านพระอาจารย์มั่นสอนจิตอยู่เสมอทางอื่นเป็น เหล่านี้ไม่เคยปกครองเราเคยให้อุปัสสสอนเราให้นิสัยเรา ได้อยู่รับฟังโอวาทฝึกปฏิบัติกับท่าน 2475 บรรดาศิษย์ เมื่อทราบว่าท่านพระอาจารย์มั่นกลับมาจากพรรษาที่วัด 2483 โยมปู่ซึ่งจากพรรษาอยู่ที่ หลังจากนั้นท่านก็ได้ติดตามเวียนเข้าเวียนออก 2484 ท่านพระอาจารย์มั่นปุริทัตตะ ครับอยู่โปรดพุทธบริการในท้องที่หนีเช่นวัดป่าสุทธาวาสสำนักป่าบ้านนามนบ้าน 18 19 ใกล้ใกล้ เดิมกรุฎ 2487 หลวง 20 ที่วัดป่าบ้านหนองผือวัดป่าบ้านหนองเผอตำบล 2478 พอถึง 2488 ท่านพระอาจารย์มั่นออกจากบ้านนามนมาพักอยู่ที่บ้านห้วยหีบ เรียบร้อยแล้วแล้วหลวงปู่ก็ออกไปพักบ้านนาเหล่าบ้างบ้านห้วยบุญบ้างใกล้วัดป่าบ้านหนองผือว่าให้เป็นเหมือนวัดปร้างไม่มี เป็นถึง 5 พรรษาตั้งแต่ 2488 ถึง 2492 จนกระทั่งท่านอาพาธหนักและออกวัดป่าสุทธาวาส ในปัจจุบันเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นเข้าภาคที่วัดป่าบ้านหนองผือเรียบร้อยแล้วหลวงปู่ซึ่ง 2488 ร่วมกับท่านพระอาจารย์วัน พุทธโมในระหว่างดูเช่นบ้านอุดงบ้านอุ่นโคกบ้านโคกมะนาว เป็นปกติปกติตราบจนกระทั่งพระปัจฉาน 11 พฤศจิกายน จ. 1492 ถวาย 13 ค่ําเดือน 3 พุทธศักราช 2493 วันที่ 31 มกราคมเสร็จงานแล้วหลวง ได้จปัสาเรื่อยไปในจังหวัดเลยชกนครขอนแก่นการได้อยู่ศึกษาใกล้ชิดท่านพระอาจารย์มั่นทําให้ ทางธรรมไม่เห็นกันนาใครความเป็นผู้มีอำนาจในทาง นอกจากหลวงปู่ใช่เคารพบูชาแต่ท่านด้วยเช่นกุฏิศาลาธรรมบริเวณวัดทางจงกรมท่านขอชาวบ้าน ซึ่งเงินคามองค์ด้วยแผ่นไม้นั้นกรมศิลปากรได้ ปะริเช่นเมื่อหลังจากออกปรรษาที่ 9 ซึ่งปีอำเภอกุดบาตจังหวัดสกลนครท่านได้อุบาย ซึ่งปุเรโกบายวิธีการนี้ว่ามังกายคือการพิจารณาทุกขังอนัตตาได้ บะเรออุบายวิธีมังกายแล้วหลวงปู่ก็กลับขึ้น จึงมีกำลังทางจิตท่านจึงใช้วิธีมังกายอยู่เสมอ คำว่าเกือบเสียหรือแก้บาดของท่านๆและมิได้พยายามปลยวงนิมิต ให้เห็นเป็นทุกข์อนิจจังอนัตตาให้จิตเป็นกลางแล้วจิต 2477 นั้นเกือบเสียเกือบเสียภรรยาถ้าได้ เดินดวงมากปกติหลวงปู่ชอบ 3 หรือ 4 แห่งสําหรับเดินจงบ่ายเย็น ไปสัมปทิการใน 60 ปีแล้วหลวงไป 39 ที่ถ้ำกลองเพลกับหลวงปู่คือพยายามตรวจค้นลง นอนก็อยู่ใต้น้ําแต่เป็นสิ่งที่ข้องขังทางอยู่แน่นแฝงกับจิตจะต้องถรีถอนจึง แต่ทว่าแต่ราชานั่นแล้วหากจึงฝังรัดึกค้างที่ 40 ที่บ้านกกๆอําเภอ 3 เวลาคือวัน จะถึงครบค่ำเวลา 1 ตั้งแต่ค่ำถึง 4:00 น. เวลา 1 หลัง 4:00 ไป 1 พักนอนเฉพาะเวลา 4:00 น. ไปถึง 4:00 เป็นการ ข้าจะอธิบายความโดยสรุปไว้ว่ามังกายให้ฉลาดมังกายด้วยไตรลักษณ์มรรคอนุสัยให้ฉลาดทางจิตและเจตสิกรวมทั้ง 2 ประเภทแท้เกิด พระหันอนาคตไม่ทํากิเลสเกิดขึ้นในปัจจุบันเสวยความสุขในปัจจุบันกว่าจะนิพพานใน เป็นที่ทราบกันดีว่าหลวงปู่หลุยเป็นผู้อยู่ง่ายไปเร็วสถานที่ท่านจะพักทําความคือสถานที่ชวนให้ดุจดื่มใน เพียงบัญจาตได้ตามมีตามเกิดๆจะทําจิตให้เพ 2500 ล่วงเพราะท่านอายุมากขึ้นที่ใดที่ท่านได้ไปอยู่ เพียงรูปเดียวท่านจะอยู่ได้นานถ้า 2508 ท่านอยู่ว่าเมื่อปวารณาออกปัสสาลแล้วหมู่ เบาเบาใจเบาอยากอยู่ต่อไปเกิดความท่านไม่ใส่รองเท้าขึ้นหลายอย่างอยากอยู่เพราะต้องการให้การเดินทุกก้าวได้สัมผัส หรือแนวภัยบ้านรุกขมูลโคนไม้บ้านตามภูเขาซอกเขาบ้านปวดภูเขาบ้านหรือซอกถ่านบ้านในถ้ำบ้าน แม้ที่บางแทงจะกันดาลน้ําต้องใช้น้ําเพียงกาเดียวทั้งเดิมหรือถึง 2-3 วันท่านได้ถ้าการภาวนาในที่ ป่าใหญ่จิตใจตื่นเต้นวิสติทุกอิริยาบถทั้งเวทๆสะดวกในการภาวนาจิตใจถึง กับความเจริญ 70 ปีท่านจึงรับนิมนต์เข้ากรุงเทพฯความสมถะและจังหวัดจันทบุรีกระนั้นเป็นเวลา มิให้ไปซื้อหาวัสดุจากข้างนอกมาทําที่พักให้ท่านท่านให้จัดหาวัสดุในสวนตามแบบตามมีตามเกิดเท่านั้น ถ่อมตนอย่างยิ่งในการปฏิบัติรับว่าให้ปฏิบัติง่าย 4 ประการ 1 ตื่น 2 นอนที่หลังอาจารย์ 3 ชั้น 4 ชั้น ท่านได้ปฏิบัติกับศายท่านปีและเมื่ออยู่กับพระผู้ใหญ่รูปใดท่านก็จะปฏิบัติเช่นนั้นให้พระเนตรรุ่น ท่านแอบมังกายสัมภาษณ์อาจารย์มั่นเพื่อแอบดูจิตของท่านพระ พระรูปชอบฐานะสมโภคผู้เป็นเพื่อนธรรมิกของท่านไปถึงหลวงทั้งๆที่ตอนนั้นหลวงปู่หลุย 68 ปีแล้วคุณธรรม เจ็ดท้าวให้หลวงปู่ชอบด้วยอย่างนอบน้อม ไม่ชื่อตัวก่อน 53 ปี 2520 หลวงควรเจดีหลุยได้พักอยู่ที่วัดควรก่อนเดินทางจังหวัด ทำสัญญาจุภาพปรุตกับท่านก่อนว่าต่างคนต่างเป็นอนาคาริกไม่มีที่อยู่ จะสละเตรียมการไม่เผดการซึ่งพระญาติวาจารย์ต้องยอมจะ 53 ภาษาแล้ว แม้ลุโปกหลวยท่านจะเป็น 2510 ท่านและเห็นหน้าขันได้อ่านกบข้อ จะพอผู้ชายที่ชอบเบื่อเมียในข้อความที่จะขายก็ไม่ได้ผู้ ใจคนอื่นเสียก็ไม่ถนัดจะทิ้งก็ไม่รู้นี่แหละความเบื่อถึงอุบัติความเบื่อเกิดจากความซ้ำเสมอ โบราณท่านว่าน้ำปักเอาน้ำบ่งเมื่อเบื่อเกิดแต่ จำใจต้องมุฑลไปเบื่อแล้วเช่นในกลิ่นคนหนึ่งเบื่ออาหารที่ เป็นคู่กันชังแล้วกลับรักรักแล้วกลับชังเพราะไม่เที่ยงปกติหลวงปู่จะเปลี่ยนสถานที่จําพรรษาอยู่เสมอเมื่อไป ท่านจะไม่อยู่ที่เปรียญประจํา 2520 ท่านมีอายุกว่า 70 ปีแล้วจึงไม่ กลายเป็นกรรมฐานคุณนางไปแล้วคือไม่ได้จะภายของโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาหัวหมอแต่ได้เข้ารับการตรวจร่างกายด้วย แล้วท่านได้กล่าวในช่องที่อยู่ด้วยตนเองไปก็นับเป็นอารมณ์ฐานอีกอย่างหนึ่งของท่านประจำแม้ท่านจะไม่อยู่ที่ อันไหนเป็นหนังสือและสมุดบันทึกมาในระยะหลังหลังนําไปด้วย ก็นำเผามาให้ข้อคิดทางธรรมบ้างกล่าวหลวงปู่ แต่ตั้งแต่วันบวชจนถึงวันมรณภาพท่านจะๆกันตามแต่ท่านจะหาได้สมุดบันทึกของท่าน เฒ่านี้อย่างประหยัดมากบรรทัด 1 บางครั้งเขียน การบรรยายสถานที่บำเพ็ญสมณธรรมที่ท่านผ่านพบสภาวะจิตและ เรื่องราวมันจะไม่ต่อเนื่องกันในมฤกํํําดําดปวันที่บันทึกและหลวงปู่ เช่นพรรณนาพุทธคุณในการนำบูชาพระรัตนตรัยท่านจะควรนามเป็นประจำว่าบรรดารุษผู้ทั้งหลายที่มาตรัสใน อตกถาจารย์ท่านกล่าวไว้มากก็จริงอยู่แต่ชํารวมมี 3 อย่างคือ 1 พระ 1 พระ 1 เช่นนี้เหตุนั้นเหตุนั้นภิกขุอุปนยิโก ซึ่งอยู่จำบรรสาและมีผู้ถวายกฐินหรือพระ 2508 ดังนี้บริโภค ดําบริเวณน้ําสะอาดสถานที่ท่ามแก้งยาวเฟซบุ๊กเขาเอกเทศลูกหนึ่งสวย ซึ่งเป็นที่อยู่ของพระประเจกขะพุทธเจ้าอย่างรุกเชิงท่านได้เกียรติพรรณนาถึงภูเขาเช่นภู ท่านนามเทพเจ้าทั้งหลายท่านนามกินนอนกินนรีท่านนามคนทันฤาษีผู้มีฤทธิ์ท่านนามอมนุษย์งามด้วยไม้ดอกพันไม้ทิพย์เปรยรื่นนำ ชื่นใจอร่อยเป็นปนาธิกรอมจากธรรมชาติดีแล้วเป็นที่ ผู้หลบร่วมด้วยแล้วการแสดงธรรมกถาของท่านจะเป็นสิ่งโน้มน้าวใจของผู้ ท่านมักจะน้อมน้าวใจคนให้ฝากกันไว้พระสวดมนต์ มังกายได้ฉบับคือพระหยาดของนายแพทย์เจ้าของสวน 2526 หลวงปู่ได้สั่งให้นำปัจจัยที่มีผู้ถวายทําบุญมูลนิธิจันทสาโรแล้วนําดอกผลผู้ช่วย 40 วัด ได้บริจาคทุนทรัพย์แล้วหลวงปู่ทํากรดให้เป็นทานอีก หรือในแวบผํานักท่านๆเช่นหาครูมาสอนให้ทอผ้าๆไม่มียาจะ ที่พระพุทธาอนุญาตไว้ให้ภิกษุผู้อาพาธใช้ได้คือยาดองเน่าชินสำหรับยาไว้ว่ายาเน่าของพระพุทธเจ้ามีอยู่ หมอ 1 กระชาย 1 ข่า 1 ขิง 1 กระเทียม 1 เผาห่อ 1 ใบบรเพชรพริกไทย 1 ตะไคร้ 1 ใบสะดาวใส่บ้างนิดหน่อยใบส่องฟ้าทั้งรากใบใบแรงรักใบกะเพรา วัดป่าจังหวัดปทุมธานีก็ทําเหมือนกันกินข้าวอดิเรกอร่อยมากกินแล้วใครๆ มิได้มีแต่กับมนุษย์เท่านั้นท่านกล่าวเสมอว่าจะด้วยความเมตตาของท่านจึงประมาทมิได้ไม่ พวกเขาได้ทําและปฏิบัติภาวนาบ้างหลวงปู่เป็นผู้ที่มีความ คืออบรมพระเนนแลผู้มีศรัทธาความเมตตาของ หากเป็นได้มีการขออโหสิกรรมก็จะเป็นบาปติดตามประเณทเหล่า พุทธศักราช 2532 หลวงปู่จำปันสาที่ 65 ซึ่งเป็นประสาทสุด 27 แต่พอ 24 ธันวาคม 2532 อาการโรคปอด ด้วยขันติธรรมและเมตตาธรรมของหลวงปู่ท่านได้คือในตอนเช้าก็ได้พระนีดทั้งหมดขอนิสัย ทางยังได้บอกรายญาติโยมไว้เป็นไหนๆด้วยเวลาประมาณ 22:00 น. น, 22 น. นธรรมในเรื่องการทำจิตว่า จิตออกจากร่างพิจารณาตามจิตจะเห็นว่าจิตออกจากร่างอย่างไรไปอย่างไรจิตจะเข้า ให้ในขณะสุดท้ายจิตอย่างเดียวในคราสุดท้ายเมื่อคณะสงฆ์ผู้ปฏิปรนนิบัติ 25 2532 ได้ 43 นาทีถึงผู้ก็ลาหลับดับอันโดยสิ้นเชิงได้ 87 ปี 10 เดือน 14 วันพรรษา 65 จากโรงพยาบาล ที่พระสงฆ์ กม. 27 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โปรดกระหม่อมพัชฐานน้ําสกปรกพัชฐานหีบ เสด็จพระบรมโอรสธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จ 27 ถนนพหลโยธินตำบลคูโคดอำเภอ 31 ธันวาคม 2532 พระบาทสมเด็จวัน ท่านฐาน 27 ถนนพหลโยธินอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีต่อมาได้ขึ้นสบไปกรุงเทพมหานครเมื่อวัน 17 มกราคม 2533 พระ และสมเด็จพระสนักเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดําเนินไปวรมหาวิหารครั้นวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 50 วันณสถาน ณวรมหาวิหารวัน 7 เมษายน 2533 ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเวลา 10 น. บังเพรพระกุศลเวลา 16 น. 30 บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พระบรมวรสารศรีราชสยามกุรุราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปพระที่ทานเทิง ได้ปรากฏความในหน้าแรกของหนังสือพระฐาน 25 ธันวาคมพุทธศักราช 2532 ได้ทรงบำเพ็ญราชกุศลพระสัทธรรมบริบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตรยินดีในวิเศษฐานดํารงมั่นในวิเวการมณียกิจการทั้ง ซึ่งประสาธาเหตุให้ทรงพระสัตถาพระสาทาได้ยกย่องนับอีก เป็นหนังสือที่รวบรวมสารธรรมต่างๆอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระอาจารย์หลุยส์จันทภะซาโรหลายประการอาทิชีวประวัติและ และแก่ชนทั้งปฏิบัติตามกําลังศรัทธาของตนให้เกิดแล 23 มีนาคมพุทธศักราช 2533 สําเร็จงานพระศาสน คณะฤทธิ์เชิญไปประชุมฐานก็เป็นการชุบ 27 หลอกการสร้างเจดีย์เพื่อ ที่วัดป่าสิถาวาสอำเภอเมืองสกลนครระหว่างนี้มีอิทธิธาตุของพระอาจารย์ ตรงตามที่หลวงปู่วรมหาวิหารครั้นวัน 13 กุมภาพันธ์ 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าวันแต่ ณวัดวรมหาวิหารวัน 7 เมษายน 2533 ทรงพระกรุณาโปรดเวลา 10 น. บําเพ็ญพระกุศลพระราชทานในการออกเมรุเวลา 16:30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้า พระบรมโอรสสิริราชธิราชสยามกุรุราชกุมารเสด็จพระชรําเนือนไปพระที่ทานเทิง น. จึงเสด็จพระชรําเนือนกลับใน กระนั้นเสวยพระฐานันดรว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพล 25 ธันวาคมพุทธศักราช 2532 ได้ พระราชธรรมมาไปบริบูรณ์ด้วยศีลาจรวัตรยินดีในวิเศษสถานดํารงมั่นในวิเวการมณ์เป็น ให้ทรงพระราชศรัทธาประสาธาจะยกย่องนับเป็นปัจฉิมวาระแห่งกาฐกุศลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า เป็นหนังสือที่รวบรวมสาระธรรมต่างๆอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระ และขอเชิญทั้งหลายที่ได้อ่านแล้ว 23 มีนาคมพุทธศักราช 2533 สมเด็จงานพระ คณะสิทธิ์เชิญไปประชุมฐานว่าเป็น 27 รองการสร้างเจดีย์เพื่อประชุม ที่วัดป่าศิลาวาดอำเภอเมืองสกลนครณวันนี้มีอธิษฐานของพระ ต้องตามที่